ที่พยายามาพูดออกนอกเรื่องนั้นเพราะว่าไม่ต้องการให้นักศึกษาทุกๆคนเครียดต้องการจะให้เป็นสมาธิในเวลาในเวลาที่หลวงพ่อพูดเพราะว่าเวลาทำใจ ต, ต้นขึ้นต้นแต่ธรรมดามันก็จะต้องมี เวลาที่จะลงงานทำอะไรสักอย่างเอ อ, อทำเลยมันก็ไม่ได้มันต้องมีไตเติลก่อนเพราะว่าเ อ, อ่อไตเติ้ลนั่นเขาทาไว้ทำไมไตเติ้ลนั้นเขาทำไว้เพื่อกระตุ้นอะไรสักอย่างหรือว่าเพื่อให้เกิดความสนใจ เ, ออเพราะฉะนั้นเ อ, อ่อก่อนแต่ที่จะถึง ข้อที่ห้าอากาศก็ยังไม่พูดเอเหมือนกับในที่เขียนไว้ก่อนอจะพูดถึงว่าอากาศเนี่ยมันมีอยู่สองอากาศมีอยู่สองอากาศอากาศในตัวของเราแล้วก็อากาศนอกตัวของเราทีนี้อากาศนอกตัว และอากาศในตัวนี่มันจะมีความสำคัญไม่ยิ่งย่อนกว่ากันถ้าหากว่าอากาศภายนอกไม่ให้หรือมันไม่ปกติอากาศภายในการหายใจของเรานี่เขาเรียกว่าอากาศภายในมันก็จะไม่ปกติเหมือนกันและในการที่ไม่ปกติทั้งสองอย่างนี้ มันกระทบกระเทือนถึงใจเพราะว่าใจนั้นอาศัยร่างกายเมื่อมันเกิดกระทบกระเทือนใจก็ได้รับการกระทบกระเทือนด้วยจงมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของสมาธิว่าเมื่ออากาศมันกระทบกันแล้วใจได้รับการกระทบแล้วการจะทำให้เกิดเป็นสมาธิ เกิดความยากเย็นขึ้นมาเสียเวลาเสียการเสียเวลาเน็ตอนื่อยอะไรต่ออะไรทิ้งไปเปล่าเมื่อสมัยที่อพระพุทธเจ้าของเราทรมานกายมีอยู่ตอนหนึ่งที่ทรมานเกือบจะหาชีวิตเกือบจะหมดชีวิตก็คือการกั้นลมหายใจการกั้นลมหายใจนั้นเพื่อ จะให้กิเลสมันหมดเพื่อจะทรมานให้ร่างกายนีรู้ความทุกข์ว่ามันจะตายแล้วคนมังจะได้รู้ความทุกข์ไอ้มันสุขสบายอยู่อย่างเงี้ยไม่รู้จักเห็นทุกข์เพราะฉะนั้นกั้นลมซะเลยอย่างนี้ทีนี้กั้นลมถ้าหากว่าไอ้กั้นธรรมดาอึดๆมันก็ไม่ใช่การทรมานก็จะกั้นไปถึงว่า เกือจะไม่ได้หายใจจนกระทั่งลม้มลงหมดสติในเวลานั้นในคำพีท่าน เ, าเขียนเอาไว้ว่าเมื่อกลั้นลมหายใจถึงที่สุดได้หมดสติลม้มลงไปเมื่อพระองค์ฟื้นชินมาจึงมาคิดได้ว่ า, าทำอย่างนี้มันไม่ถูกแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ คนจะทำสมาธิจึงจำเป็นต้องมีอากาศที่สมดุลกันระหว่างอากาศภายนอกและอากาศภายในทีนี้มาพูดนอกประเด็นอีกนิดหนึ่งว่าการหายใจเข้าเนี่ยเวลาที่เราหายใจเข้าเนี่ยมันจะต้องเป็นการหายใจที่มีความรุนแรงถ้าหาว่าไม่รุนแรงนี่มันเข้าไปไม่ได้ แจะต้องมีการใช้แรงทีนี้เมื่อลมหายใจเข้าเกิดความรุนแรงไอตอนที่จะออกก็จะต้องมีแรงดันที่จะให้ลมหายใจเนี่มันออกมาได้ถ้าแรงดันไม่พอเนี่ยลมมันไม่ออกก็ตายเพราะฉะนั้ น, นแรงดันอันนี้จึงต้องใช้แล้วมนุษย์เนี่ยเขาใช้แรงดันนี่ตลอดอายุไขเราจะมีอายุกี่ปีก็ได้แต่แรงดันนั้นต้องมี แรงดันน้นี้ไม่มีแล้วลมหายใจมันไม่ออกเพราะฉะนั้นพลังงานหรือเอ่งที่เราต้องใช้พลังงานตัวนี้มันก็จะต้องมีพลังสะสมสะสมกำลังเอาไว้จนกว่าจะชีวิตหาไหม่เพื่อที่จะเอามาดัน อารมณ์หายใจนี่ให้ออกไปได้จึงถือว่ามีระยะมีเวลาว่ากำลังอันนี้จะมีถึงแปดสิบปีเก้าสิบปีหรือห้าสิบปีอะไรก็สุดแล้วแต่มันก็จะหมดกำลังดันแล้วเพราะฉะนั้ น, นเวลาที่คนทำสมาธิเนี่ยเราจะมีความรู้สึกอันนึงว่าไอ้กำลังแรงดันนี่มันน้อยลงไป กำลังแรงดันน้อยเพราะว่าไอ้ความนึกความคิดหรือไอ้สิ่งที่จะต้องไปยึดถืออุปทานต่างๆเนี่ยมันก็ค่อยหดตัวไปพอหดตัวไปแล้วมก็รู้สึกตัวเบารู้สึกสบายอันนี้จะต้องเข้าใจว่าสมาธิได้ช่วยแรงดันหรือได้ช่วยให้เกิดลมหายใจเนี่ยมีความสะดวกขึ้น เราจะเห็นคนที่เขาจิตกาลังสงบอย่างเงี้ยหายใจระรวยระรวยนิดนิดไม่เหมือน ก, นกันกับเรามีอย่างนี้หายไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้เราต้องใช้กำลังเยอะอย่างเงี้ยพอเวลาถึงเวลานั้นแล้วเขาเรียกว่าใช้กำลังลดลงไปอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ชลอหรือว่าทำให้ เอ่กำลังแรงดันนั้นนั้นใช้อายุได้ยืดึ้นไปอีกยืดมากกว่าคนที่ไม่มีสมาธิแล้วคนที่มีสมาธินี่มันได้ลดอความเอต้องใช้กำลังตัวนี้ในขณะที่เขาทำสมาธิเพราะฉะนั้นจึงมีข้อหนึ่งว่าถ้าหากว่าผู้ใดาสามารถ บรรลุอิทธิบาทสี่อิทธิบา ท, อ, ท, บาทอิทธิบาทคือ <c oughs> สันทาวิิยาจิตวิมังาสาสี่ประการเนี่ยถ้าบุคคดดลผู้ใดบรรลุหมายความว่ า, าทำให้สำเร็จอาการที่จะหายใจเนี่ยมันจะมีความเบาอยู่ตลอดก็จะยืดชีวิตไปได้หลายร้อยปี <c oughs> อันนี้ไม่ได้พูดเองแต่ว่า ในคมพีพระใจปิดกพูดไว้อย่างนั้นอันนี้พูดนอกเรื่องแต่ว่ามันก็อยู่ในเรื่องนี่แต่ว่าในเรื่องนั้นการบําเพ็ญสมาธิอากาศเป็นทั้งคุณและโทษจึงมีคําว่าอุตตระปายะอุตตุแปลว่าอากาศอย่างที่เข้าใช้คําว่าอุตุนิยมอ่าแอกลมละลายนะกลมอุตุนิยม อย่างเงี้ยก็เขาก็มาขโมยเอาไปจากบารีนี่พูดตู่แปลว่าอากาศที่นี่สปายยะมันก็คือสบายเนี่นแหละแต่เอาโซพอฟามาใส่ซะเรื่อเลยเป็นสปายจริงแล้วมันไม่ใช่สบายที่ไปคอยเป็น CIA อะไรอย่างนั้นแต่ว่าสปายอันนี้กลายเป็นตัดหางออกให้หมด แล้รียกว่าสบายก็คืออากาศสบายอากาศสบายจึงทําสมาธิให้เกิดได้อย่างอากาศหนาวจัดจนเป็นน้าแข็งขืนไปนั่งสมาธิก็ต้องเกิดทุกขเวทนาจนถึงแก่ความตายไ ป, ไปนั่งอยู่ในหิมะอย่างเก่งนั่งได้สามสิบนาทีนี่ถือว่าเก่งยอดเกียรแต่หากว่านั่งนานไปนานไปนี่ไอต้ตรงรูจมูกเนี่ย ไอ้ที่เราหายใจเนี่ยมันจะเป็นน้ำแข็งเข้าไปเกาะก็ะไปเก็มาก็ไปก็มาเลยอุดรูจมูกเลยอย่างเนี้ยแล้วก็ตายอย่างนี้เพร า, า <c oughs> ะฉะนั้นเวลาที่หลวงพ่อไปนั่งบนน้ำแข็งที่ประเทศแคนาดาก็เอาสามสิบนาทีไม่เอาเกินนะั่นนะเดี๋ยวน้ำแข็งจะมาจุกบอกว่าเอาแค่นี้ลองดูอ่าทีนี้ว่าถึงความเวิงว้างแห่งหุบเขา ในประเทศที่ไม่ร้อนไม่หนาวนั้นเราก็หายากแต่ประเทศไทยเราหาได้ <c oughs> ด้วยเหตุนี้เองเอจึงมีการบัญญัติให้พระจำพรรษาเพราะว่านอกพรรษานั้น เ, เดินไปไหนมาไหนได้พราฝนไม่ตกในฤดูที่ฝนมันตกมากขยับไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วมันจะไม่ได้ผลอะไรอย่างที่ ประเทศหนาวอย่างแคนาดาเนี่ยเขาก็มีฮีเตอร์เราก็ปรับอากาศได้ตามสบายตามความต้องการของร่างกายอย่างประเทศเราเอาฮีเตอร์มาใส่ไม่ได้ก็ต้องเอาแอร์คอยลิทชั่นมาใส่เพื่อจะปรับอากาศนี้ให้พอดีกับร่างกายก็เป็นสถานที่เหมาะที่สำหรับที่จะบาเพ็ญสมาธิเพราะไม่ทำให้กระสับกระส่าย เพราะอากาศนั้นเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดสมาธิอย่างมากอากาศสนับสนุนอย่างไรเช่นเมื่ออากาศไม่ดีมันก็อึดอัดเพราะอากาศดีเราก็นั่งสบายอย่างนี้ดังที่ได้ไตต้นไว้แล้วว่าอากาศภายนอกอากาศภายในเนี่ยมันจะมีการ <c oughs> จะมีการที่ว่าสัมพันธ์กัน แล้วก็สัมพันธ์กันในในการที่เหมาะสมไม่ใช่ว่าอากาศภายในแก้อากาศภายนอกดีมีแอร์เท่าไหร่อ ย, อย่างเนี้ยอากาศภายในไม่ดีร่างกายมันไม่ไหวแล้วอากาศจะดีสักเท่าไหร่นี่ยมันก็สู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องดีด้วยกันทั้งสองอย่างไรก็ตามยังมีบางคนที่จะหาความรึดอัอดเหล่านี้มาเป็นเครื่องทรมานตน เพื่อหาผลทางให้คิดถึงความตายเห็นชัดและจะได้กดกิเลสไว้ส่วนหนึ่งแต่ในกรณีนี้ผลที่ออกมาก็ได้แต่มันได้ไม่ถาวรบางทีก็คิดว่าเออเรามาทําสมาธิจะมานั่งอยู่สบายยังไงทรมานมันให้แทนที่แต่แทนที่จะได้เลยเสียอย่างนี้เป็นตนเพราะอะไรจึงเสียเพราะว่าการตรัตรําที่ อากาศไม่สมดุลกันนั้นจะเกิดความจำรุดของร่างกายอันนี้เพราะร่างกายอันนี้ไม่ใช่ง่ายที่เราจะได้มากว่าจะเป็นร่างกายกว่าจะมาถึงวันนี้ก็ไม่ง่ายเรื่องอะไร เ, เราจะไปทำให้มันจำรุดซะก่อนคนที่มีความประสงค์ดีอยากจะให้คิดถึงความแก่ความตายอดอาหารบ้างพรมานกายบ้าง จริงเหล่านี้มันทำให้ร่างกายชํำรุดทุดโทรมเมื่อร่างกายชํำรุดทุดโทรมแล้วเราจะมาทำสมาธิมันก็ไม่ไหวเหมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นรสมาสามพุทธเจ้าจึงได้ทรงละวิธีที่ไม่ถูกต้องแล้วก็บมรุงร่างกายให้บังเกิดสุขภาพดีจึงได้บรรลุละสัมมาสัมพุทธญาณในที่สุดรวมความแล้วก็คือว่าอ่ เราจะต้องให้อากาศภายนอกและอากาศภายในสมดุลให้เกิดสุขภาพกายสุขภาพกายมีขึ้นมาแล้วจังจะส่งเสริมให้พลังใจมีเกิดขึ้นให้พระพุทธเจ้าได้บรรลุถ้าจะพูดไปอากาศนี้เองที่ทำให้บุคคลมีชีวิตหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลาการหายใจนั้นคื อ, อ, อการมีชีวิต การหมดลมหายใจนั่นก็คือหมดชีวิตการกำหนดลมหายใจเข้าออกชื่อว่าทำสมาธิชนิดหนึ่งลองมอากาศที่หมุนเวียนอยู่ในร่างกายนี้มีส่วนสำคัญที่จะให้อวัยวะต่างๆไม่เน่าเสียในร่างกายนี้ถ้าอากาศหมุนเวียนในร่างกายไม่มีหมายถึงความบกพร่องจะเป็นแหล่งของโรคภัยไข้เจ็บคำว่าฟอกอากาศ หมายถึงธรรมอากาศให้สะอาดภายในร่างกายจึงเป็นส่วนสําคัญการทําสมาธิทําจิตให้เงียบแล้วถือว่าพอกอากาศให้บริสุทธิ์คือหมายความว่าอคําว่าพอกอากาศให้บริสุทธิ์นั่นก็เหมือนกันกับคนที่อทําสมาธิเข้าไปถึงความสงบปล่อยวางอารมณ์ต่างๆได้แล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความเบา ตัวของเราที่จริงอะ่ะมันไม่ได้เบาเหรอกแต่พอเวลาเราก่อกอากาศด้วยสมาธิแล้วเนี่ยตัวของเราก็เลยกลายเบาขึ้ น, นอย่างเมื่อวานนี้ผู้เทศถามว่า น, นั่งสมาธิคนตั้งหลายร้อยท่านอยู่คนเดียวนั่นคือได้พราะแม้ความว่าฟอกอากาศในใจมันถึงความบริสุทธิ์ขึ้นขณะที่เกิดอารมณ์รุนแรง หรือเกิดความฟุง้งซ่านตัติอารมณ์หมายความว่ากํากับเอฟุง้งซ่านตติอารมณ์ไม่ไหวแสดงว่าพิมพ์ตกหนังสือนี่ก็พิมพ์ตกได้เหมือนกันอขณะที่เกิดอารุณ์อารมณ์รุนแรงหรือเกิดความฟุง้งซ่านสงบตัติอารมณ์ไม่ไหวเหล่านี้อ๋อไม่ตกไม่ตกน้ <c oughs> องเข้าถูกแล้ว คือหมายความว่าสมบกสติอารมณ์ไม่ไหวจะปรากฏให้เห็นว่าอากาศถ่ายเทภายในร่างกายจะเกิดความขัดข้องปรากฏการนี้คือหน้าแดงปวดหัวหืด อ, อัดแล้วก็พูดต่อไปอีกว่าจมูกก็ฉุนอ่าพอเวลาโมโหกขจริงๆนี่มันชียออกมาจมูกได้ ทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้ทําอะไรแต่ตะมูก็จุนด้วยสิ่งปรากฏนี้ทําให้อากาศเป็นพิษเพราะอากาศนี้มีอยู่ทุกอานูในส่วนของร่างกายถ้ามันเกิดการเอขัดข้องหรือเกิดอากาศที่ผริตทําให้หลายๆส่วนต้องเสียหายไปตามความเครียดแต่ละครั้งดังนั้นอารมณ์การคิดรุนแรงจึงเป็นอากาศภายในณที่นี้ เราจะต้องเข้าใจตัวเราให้ดีให้ถูกต้องแม้ว่าเราจะระงับอารมณ์ไม่อยู่หรือเราอาจจะจาเป็นต้องใช้อารมณ์ต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นธรรมชาติที่เราจะต้องประสบเราก็จะต้องรู้จักฝนปรนม่ให้มันเกิดร่ำไปโดยเหตุชนี้เองมนุษย์ทั้งหลายจึงต้องมีสมาธิคือความเครียดเนี่ยหรือว่าความโกรธเนี่ยให้มันเกิดมากนักไม่ดี แต่ไม่เกิดเลยก็ไม่ดีเหมือนกันบางครั้งก็ปล่อยให้มันฉุนสบังมันจะได้คลายออกมาไม่ได้เก็บกดไว้ข้างในคนที่เก็บกดไว้ข้างในนั้นอ่ะมันยิ่งหมักหมมพอหมักหมมเข้าแล้วเนี่ยมันก็เกิดโรคเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยจะเป็นคนที่เก็บกดก ด, ด, ดไทยก็ทำใช้กดแครไทยก็ทำใช้แ ท, ท้จริงข้างในเกือบแย่แล้ว ยเียนั่นแหละพิษมันเข้าไปนอนเนื่องออกปล่อยออกมาจะได้ดีแต่ว่าปล่อยออกมาอย่าถึงตบถึงตีกันก็แล้วกันไม่เป็นไร <c oughs> พระสมาธินั้นจะบารุงเลี้ยงอากาศภายในตัวของเราโดยการกาจัดมลพิษของอากาศนี้ได้อย่างที่ว่าในปัจจุบันเนี่ยโลกของเราเนี่ยเขากำลังรนอารงณ์มลภาวะ ที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกอันจะทำให้โลกนี้เกิดบนภบนุรพลพิษอย่างหาประมาณไม่ได้เป็นใครต่อมนุษย์ถ้าต่อโลกนี้อย่างจริงและเป็นอันตรายต่อโลกมากซึ่งจะทำลายความสุขของมนุษย์อย่างมากมายหากไม่ช่วยกันยับยั้งบนภพิษต่างๆแต่มนุษย์ในยุค ป, ปัจจุบันก็รู้เท่าต่อเหตุการณ์อนนี้ จึงได้ตั้งองค์กรโลกองค์กรขึ้นในโลกแค่โครงการริง อ, <laughs> อีสถูกหรือเปล่าคือความกลวงใ ย, ยต่อโลกเพื่อรณรงค์แก้ไขมลพิษก็อพอจะเห็นทางเป็นผลขึ้นมาบ้างเราพูดกันถึงมลพิษในเขตสนงเราเนี่ย ตั้งแต่ถ้าถนงไปถึงซอยอะไรเออเลยซอย อ, อนุทไปหน่อยซอย่สิบเก้าอะไรอย่างเงี้ยเวลานี้มันเข้าจุดเก้าสิบอะไรอย่างเงี้ยไม่เหลืออีกสิบเดียวก็จะเกิดอันตรายแล้ว <c oughs> อย่างเนี้ยไอมลกิษอันนี้มันก็ทำลายมนุษย์เพราะว่ามนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นมาเช่นอย่างใครยะช่นอย่าง แม่น้ำหรืออย่างอะไรอย่างเนี้ยหลวงพ่อยังเคยคิดเลยว่าในเตขตพระถนองเราเนี่ย อ, อวันนั้นไปพบบริษัทอิตาเลียนไทยเป็นคนอิตาเลียนคุยกันไปคุยกันมาไปงานศพว่าเขาเป็นผู้ที่เป็นบริษัทที่กำจัดมลพิษ อ, อของเน่าเสียหลวงพ่อก็ถามเ ว, ว่าในพระถนองเนี่ยเตขตพระถนองเนี่ย ทั้งเขตเนี่ยกันจัดให้หลวงพ่อได้ไหมเขาบอกว่าได้ได้แล้วจะต้องใช้เงินเท่าไหร่เขาบอกว่าต้องไปคิดก่อนหลวงพ่อก็เลยคิดว่าในเขตพระขนงเนี่ยมีเศรษฐีเอาเศรษฐีเนี่ยมารวมๆกันแล้วก็ทําเงินให้บริษัทไปแล้วก็ให้เขตพระขนงนี่หมดหมรพิษทธีเขาก็ว่าแบบนี้ดีเหมือนกัน นมลพิษในร่างกายมนุษย์เรายังไม่ได้มีการรณรงค์หาทางแก้ไขเพราะมลพิษนี้มีความสําคัญต่อมนุษย์โลกเช่นเดียวกับมลพิษโลกหรืออาจจะสําคัญกว่าด้วยซ้ําเนื่องจากมลพิษในร่างกายมันประสานกับจิตใจเพราะเมื่อถูกมลพิษอากาศภายในกดดันจ ะ, สะแสดงออกมาด้วยการขาดสติสัมปชัญญะ ความยับยั้งชั่งใจได้ลดทั่วภากลงย่อมจะทำให้โลกนี้วุ่นวายไม่สงบสุขได้อันอาจจะก้าวไกลไปถึงสงครามโลกสงครามศาสนาสงครามเศรษฐกิจนี่แหละคือภัยอันตรายของมลพิษภายในร่างกายของมนุษย์ทั้งหลายสมควรที่จะตั้งองค์กรขึ้นมาในโลกนี้รณรงค์กำจัดมลพิษในร่างกายนี้ ก็จะทำให้โลกนี้สงบจากสงครามทั้งปวงระงับความวุ่นวายได้โลกจะสิวิไลขึ้นมาเยอะแยะน่าอยู่น่าอาศัยไปอีกนานอันนี้ก็เป็นความคิดส่วนตัวนะ <c oughs> ว่าการที่เราจะระงับมลพิษในตัวของเราเนี่ยมันต้องอาศัยสมาธิเมื่ออาศัยสมาธิมันก็จะต้องมาอาศัย สถาบันพลังจิตตาโนภาพของเรานี่เองเราจะถึงได้สอนให้ทุกคนเป็นครูสมาธิเสียอย่างพวกเรานี่คนหนึ่งมีรู้สิทธิ์ร้อยสมมติว่าเรียนนจบแล้วนะคนหนึ่งมีรูปสิบธิ์หนึ่งร้อยสิบคนมีหนึ่งพันร้อยคนมีหนึ่งหมื่นแลหมดนี่ห้าร้อยคนได้ห้าหมื่นแล้ว ก็คงจะรนนนรงไหว แ, และไม่ใช่เท่านั้นเราก็ยังจะต้องอร่ำเรียนกันไปอีกหลายรุ่นต่อไปแต่การทำสมาธินั้นควรจะหาหนทางให้ง่ายและง่ายที่สุดที่ทุกคนทุกชาติทุกศาสนาสามารถรวมกันได้ตรงนี้สำคัญคือว่าเราไม่จำกัดว่า คนจะมาเรียนสมาธิขันหลวงพ่อจะต้องเป็นพุทธเท่านั้นเป็นพิธก็ได้เป็นอิสลามก็ได้เป็นฮินดูก็ได้เป็นอะไรก็ได้เมื่อมาเรียนแล้วเพื่อจะเอาสมาธิ่ห้ไอ้ชยให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพียงแต่ว่าเราจะมองเห็นความจริงเช่นนี้หรือไม่เหตุผลเพียงพอที่จะให้ทุกคนเชื่อได้หรือไม่เป็นสิ่งที่จะพิสูจน์ได้หรือไม่ ใครจะเป็นผู้นำใครจะเป็นผู้ริเริ่มจะริเริ่มกันที่ไหนจะรวบรวมการทําสมาธิเข้ามาให้เป็นอันมากและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างไรทําอย่างไรจึงจะเป็นที่ยอมรับแก่มหาชนเป็นอันมากทําอย่างไรจึงจะไม่ถือเขาถือเราถือพักถือพวกรวมตัวกันวางแผนการด้วยการเริ่มต้นจุดนี้เองที่สําคัญ เมื่อการเริ่มต้นขึ้นพบซึ่งผลประโยชน์อันแน่ชัดก็จะมีการขยายเผยแพร่ไปให้มากที่สุดโดยไม่ใช่เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเท่านั้นควรจะดำเนินการนี้ด้วยความเสียสละเป็นอย่างยิ่งอ่าก็ย้อนกลับมาพูดกันถึงเรื่องอากาศกันอีกนิดหนึ่งตอนจบ <c oughs> สำหรับเรื่องอากาศนั้น ความหนาวเกินไปความร้อนเกินหุกไปทำให้เสียสุขภาพในที่นี้จะต้องหาอากาศที่เหมาะสมในปัจจุบันได้มีการปรับอากาศหนาวก็มีฮีเตอร์ร้อนก็มีแอร์คอนดิชันทั้งนี้เพื่อปรับอากาศให้ถูกตามสุขลักษณะอนามัยเหมาะแก่ร่างกายนั้นเป็นความถูกต้องในการํำเพิตนี้มีความสำคัญแก่เรามาก เพราะความสุขจะเกิดขึ้นที่ใจหากจิตใจว้าวุ่นก็หาความสุขไม่ได้เมื่อจิตใจมัน ว, วุ่นแล้วก็ไม่มีความสุข <c oughs> แหนว่าคนนั้นจะมีเงินทองทรัพย์สินสมบัติมากมายเพียงใดถ้ามีความว้าวุ่นไม่สงบใจแล้วก็เป็นอันว่าไม่มีความสุขก็เป็นอันว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีความหมายดังนั้นการลงทุน เพื่ออากาศเหมาะสมนั้นเป็นการสมควรอย่างยิ่งแม้จะสิ้นเปลืองเพราะเราลงทุนในการหาทรัพย์สินสมบัติมาก็ต้องการความสุขถ้าจิตไม่สงบจะหาความสุขได้อย่างไรด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีความเข้าใจจึงหาทางปรับอากาศให้เหมาะสมในทุกการเวลาเพื่อหาความสงบเพราะการเวลาเป็นสิ่งที่มีค่า ค่าของการเวลาคือพยายามหาหนทางทําความสงบหาหนทางทําความสงบให้ได้เป็นการดีที่ร ก, กรรมธรรมสานพรอาจารย์ค่ะเอทราบว่าการเจริญอันที่สองของการเจริญภาวนาให้ของการทําสมาธิเนี่ยค่ะ เ, เป็นกลุ่มผลลัพธ์ชนิดหนึ่งเพราะว่าผู้ทําสมาธินี่นั่นบอกว่า จะปิดผลนทางอบายไม่ต้องไปเกิดเป็นปดิริฐานเป็นต้นส่ <c oughs> วนอานใสองอื่นนั้นจะทำให้ร่างกายของเรา น, นี้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจอานใสองมากไปกว่านั้น <c oughs> ก็คือสามารถระงับความโกรธเราคนไม่ไหว ต่อมาก็ทนไหลและอานิสงส์นอกจากนั้นเวลทาทำกิจการหน้าที่ก็จะทำไปโดยการตัดสินใจไม่ผิดพลาดมากนักและยังมีอานิสงส์ต่อไปอีกว่าถ้าเป็นเด็กๆที่จะมาเรียนหนังสือให้มีความเฉลียวฉลาดสมาธิก็ช่วยได้นี่คืออานิสงส์สมาธิเอ๊ะ ทำไมเจรพนันก็มีเจรพรสองก็มีเจรพรสองก็คื 2, 2. 2> อทองสันก็ขอเชิญไหนเจรพรสองอ่ะถามนวมศการหลวงพ่อค่ะออคือสิทธิ์นี้เรือกจะถามว่าทําไมเวลาที่เราเดินโจมเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราต้องแผ่เมตตาด้วยคะอะการเดินจัโจรมันเป็นอในสองอั น, น, นเมื่อเริ่มที่เราบริกรรมพุโทโธพุโทโธเนี่ย พุโทโธแม้แต่คำเดียวเนี่ยเขายังได้ไปสวัสด์ตามคำดีหรือว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเราเดินจงกรมอนิสงส์เกิดขึ้นทุกยอเก้าวที่เราเดิน<ม>ด้วยเหตุนั้นเมื่อเราหยุดเราก็ไม่หวงไว้เฉพาะตัวเราเราก็ให้ญาติของเราหรือผู้ที่รู้จักเรื่องจิตวิญญาณอย่างนี้เป็นต้น<ม> ต่อไปขอเชิญคุณจิรศักดิ์ถนอมพันธ์กลับนมันการหลวงพ่อครับเอเมื่อผมนั่งสมาธิแล้วนี่รู้สึกว่าเหมือนหลับไปอย่างนี้เรียกว่าเป็นการหลับในสมาธิหรือไม่แล้ว อ, อ, อาการเช่นนี้เป็นการสะสมพลังจิตหรือไม่ครับอนั่งอิงหรือเปล่านั่งอิงครับ <laughs> นั่งอิงก็ ผมจะหลับจริงน่ะแต่ถ้าเอ่อลักษณะหลับนี่คือลักษณะการเข้าพวังเวลาที่จิตของเราสงบเนี่ยเรานื้อุทโฟฟุโธฟุตโฟไปมันจะหายวับเราก็หลับไปอย่างนั้นเ้าเรียกว่าหลับในพวังที่สร้างขึ้นแต่หลับด้วยการเอนหลังหลับด้วยการแบบแบบมันหลับอย่างเงี้ยอันนี้ ของเป็นหลับจริงๆอันนี้ก็ให้ทราบไว้ว่าการเข้าพลวังก็เหมือนหลับเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องนั่งท่ากรงอย่างเรานั่งสมาธิอย่างเนี้แล้วก็พลังจิตก็จะเกิดขึ้นแต่พลังจิตนี่มันจะต้องเกิดขึ้นจากวินาทีของการบริกรรมนับแต่เราบริกรรมไปพลังจิตก็เริ่มขึ้นแล้ว ถามรุกันอาต่อไปขอเชิญคุณจุรีพรทานไขสิกแบบนั้นมันสัการหลวงพ่อจิตมีเรื่องถามแต่ใครจะถามย้อนหลังนิดนะคะเรื่องอาการกิริยาค่ะอาการกิริยาที่หลวงพ่อเคยอธิบายถึงตรงที่บางบางคนที่นั่งไปถึงจิตตกระวังแล้วก็มีอาการ สั่นหรือว่าเตนหรือว่ามีอาการร้องไห้หละยประเภทนี้ค่ะถ้าเป็นถึงขนาดนั้นแล้วการแก้ไขจะทำยังไงค ะ, ะถ้าหากว่าตั้งผุกได้เช่นอย่างว่าพอมันสัน่นใครเป็นผู้รู้ว่าสัน่นมันร้องไห้ใครเป็นผู้วดรู้ว่าร้าองไห้ตั้งคำถามขึ้นพอเวลาเกิดขึ้นนัดตั้งคำถามขึ้นทรัง้ง แต่การตั้งคำถามนั้นไม่ให้ตั้งคำถามแล้วก็รอผลคือตั้งคำถามแล้วก็ทิ้งไป <c oughs> ะจะอธิบายซ้าอีกสักหน่อยว่าเวลาสั่นก็ดีเวลาเกิดอากากรร้องไห้ขึ้นมาโดยการยังไม่อยู่ก็ดีไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจากใจแล้วใจนี้มันพอเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วเนี่ย ครั้งที่สองมันก็ถ่ายถ่ายภาพเอาไว้ครั้งเมื่อเมื่อเราทำต่อไปมันก็ถ่ายภาพซ้ําเข้าไปอีกทําต่อไปมันก็ถ่ายภาพซ้ำเข้าไปอี ก, ท, อ ก, อกทีนี้พอเวลาเป็นต่อไปเนี่ยจิตมันเข้าเาวังก่อนที่จะเป็นเช่นนั้นมันก็เลยอาการเก่าก็ต้องออกมาทีนี้เราใช้คําว่าใครเป็นผู้รู้ไอ้คําว่าใครเป็นผู้รู้นั้นจะถูก ฉายก็ไปในใจครั้งที่หนึ่งแล้วเราก็ถามต่อไปว่าใครเป็นผู้รู้อันนี้ก็จะถูกฉายกข้าไปเก็บไว้ในใจอีกต่อมาเราก็ถามอีกว่าใครเป็นผู้รู้ว่าใครแท้ใครเป็นผู้รู้ที่สัตว์เนี่ยที่ร้องให้เขาจะฉายก็ไปในใจเมื่อฉายเข้ามาเข้าความรู้สึกของใจเนี่ยจะเกิดผู้รู้ขึ้นก็เหมือนกันกับ เออเราเห็นไอ้คนนี้มันกำลังจะขโมยยืนดด่นมือเข้ามาจะขโมยเราบอกเอ๊ะนิ่มขโมยมันจะขุดมือทันทีอ่าตอใไ้เท่านี้ขอคนสุดท้ายคุณเฉวิวันอินพรหมกราบนะ้ำมศการเจ้าค่ะห็วฉันได้มาศึกษาทำกับหลวงพ่อเนี่ยก็เข้าใจทุกๆอย่างแล้วก็รู้สึกเริ่มจิดหนะ้าแต่ว่า คำถามต่างๆก็ไม่ได้มีอะไรที่จะหัดคล้องใจเพราะว่าเพื่อนๆประกอบไปหมดแต่มีความอยากรู้ที่มันยังอยู่ในนี้ที่ยังเรียนไม่ถึงนะค่ะวันนี้ก็เลยยังไม่ถามก่อนเพราะว่ายังเรียนไม่ถึงนะเจ้าค่ะยังเรียนไม่ถึงไม่ถามก็ดีเหมือนกันถ้าจะถามไปตอนนี้ก็ไม่ทราบบัณฑิตขออนุญาตจ้ะค่ะ อาสถาบันไรคือว่าอย่างเนี้เจ้าค่ะอืมสมาธินี่ก็เคยทํามาบ้างพอประมาณเด็ก็พอมาก็พ่อก็บอกว่าให้เอาพักไว้ก่อนฉันก็พักไว้เด็วพอกําหนดจิตปั๊บตอนนั่งสมาธิถึงถึงจะพักไว้แล้วอันนั้นก็ไม่ขาดก็มาต่ออีกมันก็ไม่ย้อนไปแบบเก่าที่เคยทํานะคือพอกําหนดจิตปั๊บ ก็ความสว่างสวายก็จะเข้ามาเลยเข้ามาก็ท่านก็กําหนดว่าให้เมือสว่างสว่างตรงหน้าเราจะไม่ให่ใหญ่ให้เล็กความสว่างอันนก็จะเป็นแต่ก้นริ้วว่าที่จมูกแต่ละก้นริ้ขยายใหญ่แสงอันนก็ว่างแล้วก็ครอบตัวเองหมดนะครอบครอบตัวเองหมดตัวนี้ก็จะเบาเหมือนกับเราไม่ได้นั่งเหมือนกับลอยก็ไม่ใช่ว่าลอยสูงเจ็บก็ตัดขาดหมด ก็เย็นเยื่อขึ่งเย็นละเอียดว่าที่เคยทําแต่เก่าแต่แล้วก็เย็นมากๆ่ก็ก็หลอกมองตามมองนี่ออกจาตรงตรงนี้ค่ะน้อกมันก็มองอะบางครั้งจะเป็นแก้วใสผลิตที่ครอบตัวเราเป็นเป็นหลายทางอ่ะเดี๋ยวทางจะไม่เหมือนกันกณรนี้เลยว่าอสมาธิของเราก็ตัดออกไปแล้วบอกห้องท่ายทำก็เอาอีกเบนหนึ่งกลับว่า อย่างนี้อาจารย์พังพ่ออ่าคือเรื่องเรื่องของการทำสมาธิที่เรามาให้ฟังนั้นคือกิริยาอันนั้นเขาคิดกิริยาที่มันแสดงปรากฏออกมามันจะเป็นรูปแก้วหรือจะเป็นแสงสว่างหรือจะเป็นตัวเป่าอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นกิริยาจิตที่มันสงบมาระยะหนึ่นแต่ว่าต้องเข้าใจว่า การทำสมาธินั้นจุดมุ่งหมายอยู่ที่ตรงไหนจุดมุ่งหมายอยู่ที่ทรงพลังจิตวเวลาที่จิต ท, ที่เราทำสมาธิไปเนี่ยมีตั้งแต่บริกรรมไปเจกนกระทั่งเราหลับใจิตเรากำลังจะสงบอย่างนี้ลื่อนแต่จะกลับกลายไปเป็นพลังจิตทั้งสิ้นแต่ถ้าหากว่ามันเกิดสบายมากเกิดไปแล้วก็ไปอยู่ที่สบายอันนั้นก็ กลายเป็นชานแล้วก็ตรงนั้นจะได้พลังจุดน้อยมากเอาละตอนนี้แล้วผปลีหร <c oughs> ือเปล่าแล้วเจ้าค่ะอะแตอนั้นแหละหยุดแล้ว <c oughs> <c oughs>